สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ดนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับพี่น้องครับขออนุ ญ, ญาตทบทวนบทที่สิบเอ็ดนะครับข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของพระคัมภีร์ฮีบรูและพระคัมภีร์ฮีบรูนี้เขาเรียก hall of fame ครับก็คือเป็นหอแห่งบรรพชนที่มีรายชื่อของคนที่มีความเชื่อ บทที่สิบเอดข้อหนึ่งพระธรรมฮีบรูความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงชีวิตของอาเบลนะครับซึ่งอยู่ใน h อ l l o อ f a เฟรมนี้เพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคายินมาถวายแด่พระเจ้าพีนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของชีวิตนะครับ ชีวิตของอาเบลนั้นมีความเชื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาพนะครับอย่ายนึกย้อนนะครับว่าเครื่องบูชาพระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าก็เลยโปรดปรานคนที่ถวายบูชาอันนี้ไม่เป็นความจริงครับพระเจ้าต้องโปรดปรานคนที่มีชีวิตที่ดีนะครับมีชีวิตแห่งการสารภาพบาปมีชีวิตแห่งการรับการอภัยโทษบาปแล้วเครื่องบูชาของเขานั้นจึงเป็นสิ่งที่ ถูกต้องชอบทำตามสายพรันธุของพระเจ้าต่างหากเป็นรองครับข้อเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของขายินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทําให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่ พี่ังครับความเชื่อนั้นทําให้คนที่ตายไปแล้วพูดอยู่ไม่ได้หมายความว่าคนตายนั้นลุกขึ้นมาพูดนะครับแต่คนที่ตายไปแล้วนั้นเขาได้ละทิ้งไว้ซึ่งความเชื่อที่คนอื่นมองเห็นที่แสดงออกเป็นการประพฤติครับเมื่อคนอื่นมองเห็นความเชื่อของท่านโดยการแสดงออกเป็นการประพฤติคนอื่นก็ได้รับบทเรียนเพราะฉะนั้นคำว่าจึงยังคงพูดอยู่ก็คือเราสามารถถอดบทเรียนได้วันนี้เราจะเข้าสู่ บุคคลที่สองนะครับก็คือเอนอกในข้อที่ห้าครับเพราะเอโนอกมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พี่น้องครับในวันนี้เราจะดูถึงชีวิตของท่านเอโนกนะครับท่านเอโนกนั้นโดยความเชื่อถูกรับขึ้นไปครับโดยไม่ต้องประสบกับความตายเลยพูดง่ายๆว่าโดยไม่ผ่านความตายในโลกนี้นะครับมีคนในพระกรมพี นะครับหลายคนที่ไม่ผ่านความตายนะครับคนหนึ่งในนั้นก็คือเอโนกพี่น้องครับการรับขึ้นไปนั้นนะครับภาษากรีกใช้ว่าเม t ตาทีเทเมตาทีเทแปลว่าการย้ายตำแหน่งครับแปลตรงตัวก็คือการโอนย้ายครับนั่นแสดงว่ามีการกล่าวถึงการรับขึ้นนะครับของคริสเตียนนะฮะในเรื่องของเอโนกแบบคริสเตียนนะครับ นะพูดง่ายๆทางกับกันก็คือว่าคริสเตียนเราเจะถูกรับขึ้นไปแบบเอโนโกนะครับหรือเอโนโกนั้นถูกรับขึ้นไปเหมือนในนันโคตที่เราจะถูกรับขึ้นไปเช่นเดียวกันเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ห้าข้อยี่สิบสองยิบสี่ครับแต่ไม่ว่าจะโอนย้ายยังไงก็ตามครับไม่ว่าจะย้ายตายําแหน่งยังไงก็ตามไม่ว่าจะถูกรับนะครับจะเหมือนกับเอโนกหรือไม่เหมือนก็ตามความจริงที่สําคัญกว่าครับ ถูกนำเสนอว่าเอโน้นั้นดำเนินกับพระเจ้าเขาจึงเป็นที่พอพระไัยพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงรับเอโนโอไปนะครับทรงโอนย้ายถ่ายเทย้ายตําแหน่งเอโนโอไปอยู่บนสวรรค์เลยโดยที่เขาไม่ต้องประสบกับความเจ็บปวดของความตายเขาไม่ต้องเปิดประตูแห่งความตายนี้จึงนับว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆครับที่พระเจ้าได้ทรงให้กับบรรดาผู้ที่ชอบชอบทำเช่นเอโนโอหลักการสําคัญ นะครับก็คือเอโนโอกนั้นเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าโดยความเชื่อพี่น้องนะครับต้องขีดเส้นใต้หรือเน้นคําว่าการเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าของเอโนโอกนั้นก็เพราะโดยความเชื่อนะครับนี่นะครับจึงนําพวกเราเข้าสู่การหรือเข้าสู่หลักการนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะในข้อต่อไปข้ อ, อปลอดภัในข้อที่หกนะครับของพระธรรมพีบูบที่สิบเอดนั้นได้บอกว่า ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วก็จะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าไม่ได้เลยคําว่าไม่ได้เลยนั้นมีความหมายว่าเป็นไปไม่ได้ครับนะ impossible ที่จะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าโดยที่ไม่มีความเชื่อเพิ่มพีขยายความต่อว่าเพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปร่งใจสแสวงหาพระองค์ความเชื่อ ทำให้พระเจ้าพอผไทยเราครับและพระเจ้าทรงพอผไทยใครพระเจ้าก็จะทรงโปรด่วยพระพรผู้นั้นพระเจ้าทรงพอพผไทยเมื่อเราเป็นผู้เป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์นั้นหันมาพึ่งพระองค์ครับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างและเรารู้จักรู้สึกสํานึกในบุญคุณของพระองค์เราเข้ามาพึ่งพาพระองค์เราเข้ามาเชื่อมีความศรัทธามีความไว้วังใจในพระองค์เป็นที่ปลื้มของพระเจ้า สำหรับความจําเป็นและความต้องการต่างๆของเราเราจะต้องพึ่งพระเจ้ากับพี่น้องทุกวันนี้หลายคนพยายามที่จะยือนอยู่ด้วยขาของตัวเองบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าครับว่าตลอดทั้งเล่มเลครับเพื่อนผีบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้ต้องพึ่งพระเจ้ า, ราครับเมื่อเราต้องพึ่งพระเจ้านั้นเรานะครับต้องพึ่งพระเจ้าสําหรับความจําเป็นและความต้องการต่างๆในชีวิตของเรา ไว้วางใจพระองค์พึ่งพาพระองค์การพึ่งสิ่งอื่นก็เท่ากับเราไม่พึ่งพาพระองค์ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทครับหมิ่นประมาทพระองค์ครับการพึ่งพาสิ่งอื่นก็เท่ากับเราไม่พึ่งพาพระองค์พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราพึ่งพาและวางใจในพระองค์สําหรับความจําเป็นความต้องการทุกทุกอย่างในชีวิตของเราเริ่มต้นที่ความรอดของเราครับนะครับไปจนทั้งถึงสิ่งละอันพันละน้อย เล็กๆน้อยๆ น, นะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลพี่น้องครับหลังจากนั้นเมื่อเราดําเนินชีวิตแบบนั้นก็จะทําให้พระองค์ทรงพอพระทยัยนั่นหมายความว่าเราจะต้องพึ่งพาพระองค์ไว้วางใจพระองค์มีความเชื่อศรัทธานในพระองค์สําหรับทุกอย่างในชีวิตของเรานั่นแหละครับคือการแสดงออกของความเชื่อนะครับแบบเกจโนกนั่นเองนะครับพี่น้องครับ เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นก็คือหนึ่งต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่อันนี้พระคัมภีร์พูดชัดนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อที่6นะนี่คือจุดเริ่มต้นของความเชื่อเริ่มต้นที่การยอมรับและการรับรู้นะครับตระหนักรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นการเข้าใกล้พระเจ้านะครับก็เริ่มต้นด้วยความเชื่อครับ เราหนักรู้แบบเรียบง่ายว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและประการที่สองครับประการที่สองผู้ที่จะมาหาพระเจ้าดันั้นจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานบําเน็จให้แก่ทุกคนที่โปร่งใจแสวงหาพระองค์และเมื่อผู้ใดแสวงหาพระองค์อย่างขา ม, ามักขมเนรพระองค์ก็ทรงโปรดประทานบําเน็จให้กล้าตอบแทนหรืออวยพรเขากุญแจสําคัญก็คือการปร่งใจแสวงหาพระองค์แล้วจะทําเช่นนั้นได้ โดยการไว้วางใจพระองค์ครับพี่น้องนะครับในการปรองใจแสวงหาพระองค์แสดงออกด้วยการไว้วางใจพระองค์พึ่งพาพระองค์และ <c oughs> เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัดสําเร็จนะครับทําให้เราทําสิ่งที่พระองค์ตัดสั่งให้เรากระทานั้นสําเร็จ <c oughs> โดยเหตุ น, นี้ความเชื่อจึงเป็นการตระหนักรู้นะครับว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริง และพระองค์จะทรงอวยพรแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างขมักขมันและตั้งใจแค่สังเกตพยานชุดต่อไปนะครับซึ่งจะพูดในวันพรุ่งนี้ก็คือโนอาห์ครับนะพี่น้องในเช้าวันนี้เราเรียนรู้บทเรียนของเอโนหเราเรียนรู้ว่าการถูกรับขึ้นไปนั้นอย่างน้อยๆจะต้องมีความบริสุทธิ์มีความเชื่อความศรัทธาเราเรียนรู้ว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้ จะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่แต่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องเชื่ออีกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะฉะนั้นหากชีวิตของเรานะครับยังไม่พบกับพระองค์มากเท่าที่ควรนะครับเราจะต้องเปลี่ยนท่าทีของเราใหม่ครับโดยที่เราจะแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังสักทีนะครับเราจะต้องแสวงหาพระองค์อย่างขมักขมันสักที เราจะต้องแสวงหาพระองค์เอาจริงเอาจังนะครับเอาพระองค์เป็นที่หนึ่งเอาพระองค์เป็นที่ตั้งฉะนั้นถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราก็จะเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทยัยและเราจะเป็นผู้ที่เชื่อนะครับซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมทางด้านของการประพฤติอาเมน